ในวันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยพอมาถึงวัดมาถึงวัดวาศาสานาแล้วนะมาถึงวัดป่าแล้วไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเลยมีแต่มาทําบุญแล้วก็กลับก็กรายอยู่เพราะฉะนั้นมาถึงวัดแล้วก็ควรจะมีข้อคิดประจําใจเป็นที่ระลึลกไว้สักข้อหนึ่งก็ยังดีเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองอตาตมาภาพเองจะขอ พูดให้ศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่มานั่งอยู่ในที่นี่วันพุ่งนี้เป็นวันทอดกะถินของวัดของเราปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวในการทอดกะถินความเป็นมาของกะถินพระพุทธเจ้าปารบพระสงฆ์ที่จำพรรษาเดินทางไกลมากราบพระพุทธเจ้ามาไม่ทัน เลยจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกตห่างจากวัดป่าเชตวันมหาวิหารพอสมควรท่านี้ในการเมื่อจำพรรษาแล้วในพรรษาก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอยากจะถามธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาในความคล่องใจในการปฏิบัติอยากจะกราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแต่พอมาถึงจุดนั้นก็เป็นเวลา เข้าพรรษาก่อนคือพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าพรรษาเดือนแปดเพนแล้วก็ออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนถ้าว่ามีความจำเป็นจริงๆก็ให้เข้าได้เดือนสิบเพนไปออกเดือนสิบสองเพนแปลว่าพรรษาหลังแต่นอกนั้นถ้าว่าไม่ใครไม่เข้าพรรษาพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านทรงบัญญัติพินัยว่า กับอาบัตทุ ก, กฎเก็บพิษสูตที่ไม่เข้าพรรษาผิดศีลไปข้อหนึ่งเพราะงั้นเถะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงประจพํพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ฟ้าฝนยังไม่หายดีพระสงฆ์ลนั่นก็เดินทางมากราบพระพุทธเจ้าเดินผ่านท่องไร่ท่องนาธุระกันดานน้ําพือยังไม่หายขาดทําให้จีวรของพระเหล่านั้นแปดเปื้อนไปหมด พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพินัยขึ้นมาท่านเห็นปรารบพระเหล่านั้นไม่จําเป็นจะต้องเอาผ้ามาทั้งสามผืนไตรจีวรเพียงแต่ผ้าสบงกับจีวรก็พอสังขาติจะเอาไว้ก็ได้ลักษณะอย่างนั้น่ก็เลยทรงบัญญัติวินัยเกี่ยวกับกฐินขึ้นมาแต่นี้บัญญัติอนิสงก์กฐินถ้าจะว่าไปแล้วก็เกี่ยวกับพระโดยเฉพาะนะอนิสง์ก็คือเป็นการยกเว้น บางสิ่งบางอย่างให้แก่พระเรียกว่าอ น, นิสงส์กถินไม่เหมือนพวกเราทำบุญทำทานพวกเรารักษาศีลภาวนาอันนั้นแปลว่าอ น, นิสงส์การทำบุญทำทานนั้นเป็นอ น, นิสงส์ของจิตใจอันนี้เป็นว่าอ น, นิสงส์ที่วินัยเนี่ยให้เขาว่าเป็นการยกเว้นบางสิ่งบางอย่างของพระวินัยเท่านเองนะอันนี้คือเรื่องของสง์ ส่วนอเนกสง์ในการทําบุญทำทานของพวกเราเนี่ก็คือการถวายผ้าพระกระถินให้พระสงฆ์ถวายแก่พระสงฆ์ได้ใช้องค์ไหนผ้าจีวรสบงชมดชุดโสมแล้วก็ถวายผ้าให้พระสงฆ์ได้เย็บเปรตัดได้ใช้อันนี้ก็คือผ้ากรถินแต่ตามที่จริงผ้ากรถินนี่มีกําหนดเพียงเดือนเดียวตั้งแต่วันออกพรรษา เดือนสิบเอ็ดเพนไปถึงเดือนสิบสองเพนแปลว่าหมดเขตกรถินเพียงแค่นั้นตอนี้ผ้าป่าส่วนผ้าป่านั้นไม่มีกําหนดนะตลอดทั้งปีทั้งตลอดเมื่อวันไหนก็ได้เนีตั้งแต่ออกพรรษาในพรรษาก็ได้ผ้าบางสกุลจีบอลแต่ความเป็นมาของผ้าบางสกุลจีบอล น, นั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎก นะมาในหลักพระธรรมพินัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรื่องผ้าบาังสกุลนี่เป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องอยู่ของพระสงฆ์จริงๆเมื่อบวชเข้ามาวันแรกพระอุปชัชฌาก็ให้อนุสาส์แ์บังสกุลกีวรังนิส่ายรปปัชชาตัทเตยวชีวังอุตสาหโหกรณิโยอติเลกลาโปเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วเรื่องผ้าเนี่เจ้าต้องเสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ ที่เขาทิ้งที่เขาไม่เก็บที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาปะมาชุนมาเย็บเป็นผ้าจีบอนได้อันนี้เป็นพุทธานุญาตสำหรับท่านสำหรับพระจากนั้นก็เรื่องการบิณฑบาตเมื่อท่านชันอยู่ท่านต้องบิณฑบาต ท, ทุกวันอาศัยลาแข่งตัวเองเพื่อเลี้ยงชีพในชีวิตจากนั้นก็เรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าบัญญัติให้อยู่โคนต้นไม้ได้ ไม่ผิดวินัยในหน้าแล้วหน้าฝนก็มีกระต๊อปก็บแต็บที่มุงบงังส่วนหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าบัญญัติให้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าอันนี้ก็คือกิจที่ควรทำของสงฆ์ที่บวชมาพระอุปชาสอนอย่างนั้นเป็นอันดับแรกว่า ง, งั้นในภาคปฏิบัติในการเป็นอยู่ของพระทีนี้มานึกย้อนไปทีนี้ขั้นยกตัวอย่าง หยุดไหนขึ้นมาในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ชักผ้าบางสกุลที่ไหนเป็นอันดับแรกอันนี้ก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกท่านว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติหรือว่าชักผ้าบางสกุลเป็นอันดับแรกก็คือชักผ้าบางสกุลที่ห่อศพนางปุณณธาสีนางปุณณธาสีเป็นคนรับใช้ของเศรษฐี ท่านหนึ่งในกรุงราชาคือเป็นคนตําข้าวเป็นคนตักน้ําสรุปแล้วคือรับใช้ปัดกวาดทําความสะอาดเป็นคนรับใช้เป็นทาสเพราะงั้นเป็นทาสในบ้านของเศรษฐีสมัยก่อนมันมีทาสรับใช้นางปุณธาสีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นรับใช้ตําข้าวตักน้ำํำมาบ้านเศรษฐี พระพุทธองค์มองเห็นอุปนิสัยเก่าแก่ของนางปุณทาสีเนี่ยเข้ามาในข่ายของพระองค์พระข่ายคือพระญานพระพุทธองค์ตอนเช้านะตอนบ่ายก่อนค่ําท่านจะเทศอุบาสกอุบาสิกาอตอนหัวค่ําอย่างเนี้ยท่านจะเทศอบรมพระสงฆ์พอตอนตกกลางคืนหัวค่ำเนี่ยบางทีอุบาสกผู้ชายก็มาฟังเทศพร้อมกับพระสงฆ์พร้อมกับภิกษุนี พอตอนเที่ยงคืนพระพุทธองค์ตอบปัญหาเทวดาเนี่ยตอบปัญหาเทวดาตอนตอนดึกวันน่ะตอนดึกสงัดจากนั้นก็พระองค์ก็พักผ่อนอบรรทมพอจวนสว่างตีสามตีสี่พระพุทธองค์ลุกมาตรวจ ด, ดูสัตวโลกจากนั้นก็ตอนจวนสว่างก็มองดูสัตวโลกคล้ายๆกับว่า เอาเลดราของพระ อ, องค์สอดสายไปดูสัตว์โลกทั้งหลายใครจะมีอุปนิสัยจะได้รับการอบรมจากพระ อ, องค์และชีวิตของผู้นั้นจ ะ, จะตายไปโดยจะได้รับการอบรมจากพระ อ, องค์ได้รับการเมตตาอนุเคราะห์จากพระพุทธเจ้ามีไหมอันนี้คือกิจธุระประจาวันของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์สรุปแล้วท่านพักผ่อนน้อยมากนะ ไปดูในพุทธกิจห้าของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็ในวันนั้นท่านมองดูสัตวโลกเห็นนางปุณธาสีเข้ามาในข่ายคือพยานเข้ามาในจอเรดาร์เพราะ ง, งั้นแท้ท่านมองไปไปเห็นนางปุณธาสีนางปุณธาสีจะเป็นอย่างไรหนอจะมาเข้ามาในข่ายพระพุทธองค์รู้แล้วเออนางปุณธาสีชีวิตจะไม่ยืนยาว วันนี้ เ, เราควรจะไปโปรดนางปุณธาศีตอนนี้ท่านก็เดินไปบินธบาีตอนเช้านางปุณธาศีวันนั้นเขาก็ตําข้าวตั้งแต่ตีสตีห้าพอตําข้าวเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งลำ้ำแป้งลำมาขยาขยากับน้ำมาขยากับพกนมเนยที่มีอยู่จากนั้นเขาก็มาจีบนฐานไฟ พอจี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันสุกแล้วเขาก็จะเอาไปกินเวลาตักน้ำเหมือนกันเถอะเอากระป๋องน้ำขึ้นบนบ่าแล้วเขาก็เดินไปเขาก็เน็บเข้าจี่ไว้ในพกสิ้นของเขามือนนเถอะจากนั้นเขาก็หาบน้ำไปเพื่อจะไปตักน้ำมาใส่บ้านพระพุทธองค์กับพระอานนท์เดินออกจากวัดปาเวลุวันพอไปถึงเครื่องทาง นางปุณณาศีไปเจอจ่าเอ๋กับพระพุทธเจา้ากับพระอานนท์พระ อ, อนนท์ก็พระพุทธเจ้าท่านก็มองนางปุณณาศีคล้ายๆกับว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากแก่ทำบุญเหมือนกันโอ้เราเนี่เกิดมาพบนิชาตินี้เราเป็นคนทุกคนยากจริงๆไม่มีสิ่งไหนที่จะทําบุญทําทานถ้าหากว่าคิดดูเดี๋ยวนี้เราก็มีปั้นข้าวจีอยู่ก้อนหนึ่งเน็บพกมาเนี่ย แต่ถ้าเราจะถวายพระพุทธเจ้ากพราเป็นของที่ตำช้าเป็นของที่เลวซ้ำสำหรับสัมมนอย่างพระพุทธเจ้าแต่เป็นเป็นของดีสำหรับเราเราก็ได้กินอาหารอย่างนี้แต่ทำยังไงหนาเราจรึงจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพอนางคิดถอยหน้าถอยหลังพระพุทธองค์รู้วาราจิตของนางพระพุทธองค์ก็ชรํรลึงมองไปทางพระอานนท์ พระพุาอนุลก็รู้ความหมายก็นําบาทเข้ามาเพราะพระอ น, นุลเป็นคนถือบาทพระพุทธเจ้ากับพระอ น, นุลบาทรคงละลูกว่างั้นแหะมอบน้ำบาทเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับบาตรพอรับบา ท, บบาทนางก็วางกระป๋องน้ําที่อยู่ในบาตรงก็เอาข้าวที่เน็บอยู่ที่พกนั่นอนะ่ะพระพุทธองค์ก็เดินเข้าไปเปิดบาทนางปุณณาสีก็ใส่ปั้นข้าวจเีเข้าวจีลํานั่นลําอ่อนนั่นอนะ่ะ ใส่ในบาทของพระพุทธเจ้าพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์ก็เดินถอยหลังกลับปิดฝาบาตรนางปุณณาสีคิดในใจว่าถึงพระพุทธเจ้าท่านจะรับของเราก็รับเพื่อไม่ให้เสียเท่านั้นเองต่อห น, นี้ไปท่านก็คงจะไปฉันบ้านเศรษฐีกระดมพีบ้านไหนๆก็ไม่รูออ้อาจจะเป็นบ้านกษัตริย์ที่ไหนก็ไม่รู้ปั้นเข้าจี๋ของเราที่ใส่บาทของพระพุทธเจ้านั้น ท่านจะคงจะโยนทิ้งเท่านั้นแหละเพราะท่านคงไม่ฉันให้เราเพราะของบริจาคของเราเป็นของต่ําช้าไม่สมฐานะที่พระพุทธองค์ต่นี้พระพุทธองค์รู้วรารจิตของหนังท่านก็มองดูพระอานนุ์ปูอาชนะลงที่โคลนต้นไม้อย่พระอานุ์ก็ปูอาชนะลงสองแห่งพระพุทธองค์ก็ได้เข้าจีก้อนนั้นแหละแบ่งให้พระอานุ์ครึ่งหนึ่ง แล้วก็พระ อ, องค์เครื่องหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็เสวยปั่นเข้าจีก่อนนั้นในที่นั้นนั่งลงที่นั้นพระนรนก็ฉันพอฉันเสร็จแล้วก็เดินทางกลับวัดเวลุวัดเลยไม่ได้ไปต่อพอฉันเสร็จก็เพียงครั้งเดียวอิ่มหรือไม่อิ่มก็คงยังไม่อิม่มเข้ากี่เพียงแค่นั้นจะไปอิ่มได้ยังไงฮะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโปรดเมตตาสัตว์ท่านเมตตาถึงขนาดนั้นละ่ะ พอฉันเสร็จท่านก็เดินทางกลับนางปุณณาสีก็โอ้ดีอกดีใจทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ลังเกียจของเราถึงจะเป็นของต่ําช้าพระพุทธองค์ก็เมตตาฉันให้แต่นี้พรธองค์ก็เดินทางกลับแต่นางปุณณาสีก็ไปตักน้ําพอตักน้ําเดินมาด้วยความดีอกดีใจก็มาได้ดูถนนหนทางที่ตนเองเดินมาเั้นกันเถิดเละมีงูเห่าที่เป็น เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติพระพุทธองค์รู้แล้วว่านางจะต้องตายในวันนี้ที่มาโปรดก็เพราะว่ารู้แล้วว่านางจะต้องตายในวันนี้งูเห่าจะต้องกัดในวันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์มาโปรดนางนางก็กําลังมีปีติในจิตในใจมีความดีอกดีใจอย่างมากเมื่อกันเถอะพอเดินมางูงเห่าก็เลยกัดฉกเข้าที่ขาที่เท้าเดินไปหน่อยนึงนางก็เลยล้มตูมลงเลย ทั้งกับปองน้ำนางก็เลยตายงูเหา่าตัว น, นั้นก็คงจะพิษร้ายแรงมากพอสมควรว่างั้นเถอะพอตายไปแล้วนางก็เลยเหมือนกับฝันจิตออกจากร่างแล้วขึ้นไปสู่บนสวรรค์ไปอยู่สวรรค์ดาวดึงหรือสุ ด, ดุสิตเนี่ยหลงพอก็จจาไม่ชัดนะแต่อยู่สวรรค์ชั้นสูงพอสมควรเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาอยู่ในปราสาท อ น, นี่เอ๊ะเราทำไมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็เลยนึกย้อนหลังดูโ อ, อ้เราได้ใส่บาทให้พระพุทธเจ้าขณะจิตนั้นกำลังมีปีติในเลื่อมใสกับพระพุทธเจ้าอยู่แต่บังเอิญมีงูกัดเราเราก็ได้ล้มหายตายจากในช่วงนั้นจากนั้นนางเป็นเทวดาบนสั้นสวรรค์ได้ลงมากราบพระพุทธเจ้าอีก เอในยามราตรีอันนี้ก็คือความเป็นมาของการบางังสกุลทีนี้พอนางปุณสทาสีตายไปแล้วที้เศรษฐีก็สมัยนั้นคนตายเขาเอาผ้าพันพันพันได้ประเทศอินเดียนะอพันพันพันเสร็จแล้วเขาก็ไปทิ้งในป่าช้าผีดิบเลยว่างั้นเถอะอเขาไปทิ้งเลยเอาผ้าพั น, พ, นพันแล้วตอนนี้พุทธองค์ก็เห็นว่า ผ้าที่นางพันนางพุณธาสีนั้นใช้ได้พระุธองค์ก็ไปชักผ้าบางสกุลพอชักผ้าบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตัดเยบ็บมาซักเม่อกันเถอะก็ได้ผ้ามาแล้วก็มาซักตอนนั้นที่ว่าเทวดานิลมิตรก้อนหินไว้สําหรับให้พระพุทธเจ้าซักผ้าจากนั้นก็ตัดเป็นสังฆาติพุทธองค์ใช้ไปช่วระยะหนึ่ง ก็มอบให้พระมาหากัะสปะใช้ต่อไปผ้าผืนนั้นแต่ว่าผ้าบางสกุลเป็นผ้าผืนแรกที่พุทองค์ได้บัญญัติวินัยขึ้นมาคือผ้าบางสกุลจากนั้นท่านก็บัญญัติวินัยเกี่ยวกับผ้าบางสกุลมาเรื่อยๆมีหลายวาระมีหลายเวลาเหมือนกนเถอะอันนี้คือคือความเป็นมาในผ้าบางสกุลและผ้ากรถินอย่างที่เปลี่ยนให้พวกญาติโยมได้รับรู้รับทราบนี่แหละสรุปแล้ว ที่พวกเราทําบังสกุลก็ดีกรถินก็ดีก็เป็นการสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนั่นแหละเป็นการเสียสละเป็นการทําทานทานะแปลวการให้การเสียสละศีละเปรวรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน เกิดมาในโลกนี้เกิดมาด้วยบุญเกิดมาด้วยบาปทั้งบาปทั้งบุญมาพร้อมกันเด้แต่อันไหนจะมากน้อยต่างกันอย่างไรบางคนเกิดมาพบนี้ชาตินี้บาปมากกว่าแต่บางคนเกิดมาแล้วมีบุญมากกว่าแต่บางคนเกิดมามีทั้งบุญมีทั้งบาปคละเคล้ า, ากันเป็นผู้นําเพราะฉนั้นบุญกับบาปนี่ ออกจากหัวใจของพวกเราคล้ายลักษณะเหมือนกับมะพร้าวออกสองหนออย่างนั้นน่ะถ้าว่าเราทําบุญมากสร้างกุศลมากบุญกุศลก็หนอยาวออกไปแต่ถ้าว่าเราส่งเสริมทางบาปมากบาปก็จอดยาวออกไปนี่แหละทั้งสองอย่างบาปกับบุญอยู่กับใจของเราทั้งหมดเราทําดีเราทราทชั่ว คนเราเกิดมาไม่ใช่จะทําดีอย่างเดียวก็หาไม่จะทําความชั่วอย่างเดียวก็หาไม่เช่นเดียวกันการทํากรรมทําบาปทําบุญทําได้สามทางกายกรรมการกระทําทางกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้แปลว่าทํากรรมชั่วทางกายถ้าหวังงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการสร้างกุศลทางกาย ทางวาจาการพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดปดอันนี้เป็นการทำความชั่วทางวาจาทางงดไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดส่อเสียดคนอื่นอันนี้เป็นการสร้างกุศลทางวาจาส่วนใจคิดโลภอยากจะได้ของเขาคิดพยาบาทปองร่ายเขาเห็นผิดทำนองครองทำอันนี้คือใจใจก็คือทำความชั่วเหมือนกันนะ เพราะนั้นการทํากรัมทําได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านเตื่นขึ้นมาแล้วจะคิดแต่ทางดีอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้จะคิดทางชั่วอย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในการตื่นขึ้นมาเราคิดแหละมโนกรรมแหละมันจะออกไปทางไหนวันนี้ออกไปทางไหนมากการพูดออกไปทางไหนมากการกระทําออกไปทางไหนมาก มันไปทางไหนมันไปทางดีและไปทางชั่วนี่แหละเมื่อทําทางชั่วมากกรรมชั่วก็ตามสนองเข้ามาสู่อใจของพวกเราถ้าทํากรรมดีมากกรรมดีก็เข้ามาสนองในใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านออย่าไปคิดอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรพยายามสร้างบุญสร้างกุศลใส่สจิตใส่ใจของพวกเรานั่นแหละ คือทานศีลภาวนาหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกนะตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนนะเอตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญเราไม่จําเป็นจะต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลให้อยู่ยากลําบากอย่างนี้ถ้าหาว่าตายแล้วสูญนะแต่นี้มันไม่เช่นอย่างนั้นตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดพวกเราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราอย่างที่นางปุณณาธาสีอย่างที่ว่านะั่นนะ พอร่างกายตายปบลงไปนะปดสภาพแปลว่าอองูฉกเข้าไปเลือดวิ่งไปอุดหัวใจแล้วงั้นหยู่หัวใจหยุดเต้นออสมองหยุดทำงานออพอตายไปแล้วทีนี้วิญญาณออกจากร่างทันที เ, ออเหมือนกับนอนฝันอย่างนั้นนะวิญญาณคือความรู้สึกนั้นนะตัวนั้นไม่ตายออจากนั้นก็ไปเกิดพบภูมิต่างๆนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ร่างกายของพวกเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้ถ้าพวกเราสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราได้แล้วบุญกุศลจะเข้าหนุนทางจิตใจพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นจุก น, นี่สงทานทานะคือการให้ ท่านว่าเกิดมาพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่อยาเพราะอันนี้สงทานเกือ้อกุนหนุนถ้าหาว่าใครไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้อันนี้สงทานไม่มีถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้อดอยาทำมาค้าขายก็เป็นผู้อดอยาท่านเคย ยกนิทานสาทกขึ้นมาในครั้งพระพุทธเจา้าอย่างพระติสระท่านไม่ได้ทำบุญเอาไว้เกิดมาถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ตัดสู้รมเป็นพระอรหรันต์แต่ท่านก็อดอยากบินทบาทไม่พอฉันมีได้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเ อ, องค์มีลาบมากองค์มีลาบน้อยมอีอันนิสง์ทานไม่มีเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็เรามีอยู่มีกินมีใช้เราก็ควรจะเสียสละทำบุญทาทานวัดวาศาสนาเกือ้อกูลหนุนประชาชนสิ่งไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์กับชุมชนประเทศชาติเราก็ช่วยสงเคราะอนุเคราะห์ไปด้วยแต่ว่าการทาบุญทาทานนั้นจะให้มีอันิสงส์เหมือนกันทั้งหมดไหมอันนี้คงไม่เหมือนนะ ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเอาไว้น่ะไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเคยยกนิทานขึ้นมาสาธกให้ฟังพอเป็นแนวทางในการทำบุญทำทานสมัยหนึ่งท่านยกนิทานเกี่ยวกับชาดกนะคือพระพุทธเจ้าของเราเสวยชาติเป็น โปรหิตรายจานเป็นพวกเหล่าแนะนำสั่งสอนพระราชาทุกวันนี้กับเหมือนกับเป็นที่ปรึกษานั่นแหละเป็นที่ปรึกษาขอกราชการงานเมืองอย่างทุกวันนี้คงจะเป็นองค์ขม้มูลทีวันนั้นจอะอยู่กับพระราชาทีนี้พระราชาท่านของราชฎรคงจะไม่ใช่เมืองใหญ่นะเลวก็ออกไปสื่อราชการตามหัวเมืองต่างๆว่า ชาวบ้านเขาขัดข้องขัดเคืองอะไรไหมที่ที่เราปกครองเนี่ยน่ะเขายินดีพอใจไหมพระเจ้าแผ่นดินก็ปลอมตัวนะปลอมตัวเป็นสามัญชนนี่น่ะไปพร้อมกับโปรโหิตเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆพอไปหมู่บ้านหนึ่งนายบ้านเขาเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินเขาจำได้โอ้อันนี้พระเจ้าแผ่นดินตัวเนีจากนั้นมาเขาก็เลยเอาอาหาร เอ่ อ, อย่างดีว่างั้นเถอะเออห่อมาให้เอ่อถวายพระเจ้าแผ่นดินให้ชงเสวยวันนั้นตีพระเจ้าแผ่นดินพอท่านได้รับแล้วท่านเคนึกในใจน่ะใช่ถึงเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จริงอยู่แต่ว่าอาจารย์ของเราเนี่ยโผลหิตเนี่ยเหนือกว่าเราในแนวความคิดท่านเป็นอาจารย์ของเราเราควรจะบูชาพระคุณของอาจารย์อาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก ในการปกครองประเทศชาติท่านก็เอาอาหารที่ได้มาจากนายบ้านมอบให้อาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์ทานผมไม่ทานให้อาจารย์ทานพออาจารย์ได้รับอาหาร น, นั้นมาแล้วอาจารย์ก็มองไปมองมาไปเห็นลือีกําลังเที่ยวบิทบบาทอยู่มาผ่านหน้าพอดีปโลหิตอาจานั่นก็เลยเอาอาหารนั่นไปใส่ในบารของลือี ให้ท่านฤาษีได้ฉันท่านเป็นผู้มีศีลท่นี้พอฤาษีได้รับอาหารนั้นแล้วท่านก็มองไปมองมาไปเห็นพระประเจกผู้เทเจ้านั่งอยู่โคลนต้นไม้ฤาษีนี่นก็เลยเอาอาหารนั้นไปถวายพระประเจกผู้เทเจ้าพระประเจกผู้ธเจ้าท่านก็มองไปมองมาไม่เห็นใครที่จะเหนือกว่าท่านท่านก็ฉันเพราะงั้นฉันอาหารฉันอาหารนั้นท่านี้นายบ้านเขาก็เลยคล่องในใจว่า ทำไมผมถวายอาหารท่านแล้วท่านทำไมจึงให้คนอื่นพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าถึงเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จริงอยู่แต่แนวความคิดต่างๆอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้แกเราเนี่ยมากพอท่านพงแกเรียนผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุกว่าเราท่านเป็นอาจารย์เพราะนั้นเราบูชาพระคุณของอาจารย์แต่นี้ ในบ้านก็ไปถามอาจารย์ทำไมเมื่อพระราชามอบอาหารให้แล้วทำไมท่านจึงไม่ทานอาหารที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้โปรหิตตาจานเขาบอกว่าใช่พระราชาท่านมอบให้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่มีศีลไม่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนกับดาบด์คือฤาีเพราะนั้นข้าพเจ้าจึง นำอาหารที่ได้มาเนี่ยถวายแกผู้ทรงศีลคือฤๅษีให้ท่านได้ฉันและให้ท่านบำเพ็ญจะเกิดประโยชน์แกออชาวประชาทั้งหลายทันี้ถามฤๅษีท่านฤๅษีในเมื่อโปรโหหิตถวายอาหารแก่ท่านแล้วท่านทำไมไม่ฉันอาหารที่โปรโหหิตถวายท่านทำไมไปถวายแกพระปเจรฤสษีบอกว่าถึงเราจะมีศีลก็จริงอยู่ แต่ใจของเราเนี่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เพราะฉะนั้นเห็นพระประเจกพระุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เอตัดกิเลสท่านจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับอาหารอันนี้แต่ที้นายบ้านก็ไปถามพระประเจกพระประเจกเขบอกว่าเรามองอยู่ในพื้นปฏิพีเนี่ยที่เรามองรอบเราเนี่ย ไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเราเราไม่สามารถไปทําบุญให้แก่ใครเพราะเรานี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นไกเ่เราก็เป็นผู้กระเทาะเปลือกไข่ออกไปแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายยังอยู่ในเปลือไข่อยู่ยังจะต้องอยู่ในกรอบของวัฏสงสารอยู่แต่เราเนี่ออกจากเขตของวัฏสงสารไปแล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเราชําระ ส่วนที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดออกจากจิตใจของเราแล้วเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่มีกิเลสอีกแล้วพ่อปเจกพูดอย่างนั้นพอุปได้ว่านะการทำบุญทำทานถ้าว่าใครทำบุญกับพ่อปเจกกับพระพุทธเจ้ากับพระหันสาวกอานิสงส์จะมากกว่าทำกับพระพุทธชนทำกับผู้มีศีล ถ้าว่าทำกับผู้มีสินก็ได้มากกว่าทากับคนที่ทุสินสามัญชนไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงสัตว์ทิ่ฉาญช้างมามวัวควายหมูหม า, เ, าเป็ดไกจด่จนถึงมดจนถึงแมลงบัง้นเถอะออนนี้สง์จะให้เสมอการเป็ดไปไม่ได้ในการทำทานเพราะนั้นในการทำทานนี่ก็มีขั้นตอนอย่างนั้นหละ เหมือนกับทามาค้าขายแต่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบในการทำบุญทำทานนั่นน่ะทานะคือการให้ปฏิคาหทายกปฏิคาหกคือผู้รับทายกคือผู้ให้ทายกได้ของมาด้ดยความบริสุทธิ์ไม่เบียดบังไม่ได้ป่นได้จีได้ขโมยของใครมาทำบุญแปลว่าของทานบริสุทธิ์ปฏิคาหกผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์ อข้าวปลูกก็เป็นข้าวปลูกที่ดีอสมบูรณ์เนื้อนาก็เนื้อนาที่ดีท่านได้บริสุทธิ์แล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้สงมากอันนี้พูดตามพระไตรปิฎกนะให้พวกเราปเปรียบเทียบไปศึกษาไปคิดไตรตรองดูอี ก, กแล้วกันนะอันนี้แปลว่าให้ข้อมูลให้พวกเราได้คิดทนเองเอไม่ได้พูดแก่ท่านผูดด้ใดใครผู้หนึ่งว่างั้นเถอะอันนี้พูดตามหลัก กฎเกณฑ์การทําคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลในพระไตรปิฎกหรือว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนี้ น, นั่นแหะอันนี้ก็คือทาทานะคือการเสียสละคือการทําบุญอา น, นิสงส์แห่งการทําบุญพระพุทธองค์ก็บอกว่าเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอนนา น, อ น, นิสงส์ทานอานิสงส์ศีลเกิดมาพบใดชาติใด อย่างคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเกิดมาพบนาชาัดนาชีวิตจะสั้นเลยถ้าว่างั้นถ้าว่าใครชอบทุบตีสัตว์ทอบลังแกสัตว์เกิดมาพบนาชาัดนาจะมีพญาติโรคาตั้งแต่วันเกิดว่า ง, งั้นเถอะเป็นโรคภยครัยไข้เจ็บตลอดอันนี้ก็คือพวกที่ชอบเบียดเบียนลังแกสัตว์นี่แหละสินคอร ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงให้งดเว้นสินทั้งห้าข้อท่านบอกสินห้นนาเนี่เป็นสินคราวาตัตเลยเป็นศินครวัตถ้าเป็นคราวาตัตที่ดีแล้วควรจะพิจารณาดูว่าข้าพเจ้าในศินห้าข้อนั้นขาดข้อไหนบ้างหรือขาดทั้งหมดหรือขาดข้อใดข้อหนึ่งหรือบกพร่องทั้งหมดหรือบกพ้องข้อใดข้อหนึ่งหรือบกพ้องเป็นส่วนมากหรือได้เป็นส่วนมากเนี่ย อันนี้คือสินห้าก็คือศินของครวาตสำหรับสินพระศินสองร้ยี่สิบเจ็ดฝ่ายพระท่านก็จะได้ําเนียกท่านเหมือนกันนะว่าศินของท่านนี่ยขาดตกบกพร่องไหมในสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อขาดมากไหมขาดน้อยไหมเรือบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ท่านก็จะได้ตรวจตราของท่านอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ จะตำหนิคนอื่นก็ต้องดูตนเองก่อนอยากจะดูจะตำหนิพระก็ต้องดูเราก่อนพระจะตำหนิโยมก็ต้องดูตนเองก่อนแต่ถ้าว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์ไปตำหนิคนอื่นกะเหมือนกับเราไปชี้นิ้วคนอื่นนั่นแหละแกนี้ชั่วนะอชี้ไปนิ้วเดียวแต่พอกลับมาหาตัวเองทั้งสามนิ้วะหลวงปู่ฝันทันวายอย่างงั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละ การจติตธมิคนอื่นต้องดูตนเองสะก่อนนะอันนี้คือศีลทานศีลภาวนาภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งนะคือภาวนาเนี่ยเราจะกําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าพุทธหาย ใ, ใจออกโทนะตามให้จริงการภาวนาเนี่สติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากมาอันดับหนึ่งคือสติถ้าหากว่าสติขาดไปแล้วแปลว่าการภาวนานี่ยหมดความหมาย เพราะนั้นสติเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญมีประโยชน์มากสําหรับนักปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราควรจะฝึกให้มีสติสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวขณะนี้เราทําอะไรอยู่เรานั่งอย่างไรอยู่เราเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่อันนี้ว่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ว่าสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว เ, เพราะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยสำหรับพวกญาติโยมทุกๆท่านตลอดถึงทุกท่าน่ะ ท, ท, ที่เป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกันอ่ควรจะมีควรจะฝึกเอาไว้นะจากนั้นเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้ว เ, เราจะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือเราจะภาวนาอันไหนยุบน้อพองน้อหรือว่าเราจะกาหนด สติจับอยู่ในจิตเ อ, อการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของใจขณะนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรอยู่ถ้ามีสติแล้วเราจะกําหนดดูได้เห็นได้รู้ได้แต่ถ้ามันขาดสติแล้วมันทําไม่ได้สักอย่างนั่นขะขนาดจับกำหนดลมหายใจยังหลงหลง ล, ลืมแล้วจะไปจับจิตเป็นไปไม่ได้เลืมทั้งหมดเพราะนั้น สติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญควรจะฝึกนะฝึกบ้างได้บ้างเสียบ้างแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าขณะที่นั่งสมาธิบางวันเนี่ยจิตสงบดีจิตใจเยือก เ, เย็นแต่บางวันก็เหมือนก็ไม่เคยภาวนาเสเลยจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายบังคับให้เข้าสมาธิไม่ยอมเข้าผลที่สุด ก, ก็เลยสู้มันไม่ไหว จิตใจเดือดร้อนทุรนทุรายเหนื่อยเ อ, อมันไม่ไม่ยอมเข้าสมาธิสู้ไม่ไหวบางทีก็ยอมแพออ้อันนี้ก็มีนะสรุปแล้วก็คือการภาวนาเนี่ยเหมือนกับํามาค้าขายนั่นแนหะถ้าหากว่าค้าขายที่ไรก็ได้กําไรทุกทีทุกทีนะคนก็คงจะเป็นเศรษฐีกันหมดนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกัน่ภาวนาจิตใจสงบทุกครัง้งทุกครัง้งพิจารณาอะไรก็ได้ทั้งหมดก็คงจะเป็นพระหานกันมากต่อมาก แต่นี่ก็บางครั้งกิเลสมันก็สู้เหมือนกันเน๊ะแต่มันสู้พวกเราก็ควรจะรู้จักนะออข่าวนี้สู้ไม่ไหวไว้อะนอนซะก่อนข่าวหน้าลุกมาสู้ใหม่อ่ะผลที่สุดหลายครั้งต่อหลายหนเราก็สู้มันได้ได้ท่านออพิจารณาได้ออสู้มันได้จิตใจสงบเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นออจากนั้นก็นํามาพิจารณาออทางปัญญาทีนี้จิตสงบนั่นคือสมถะ อ่พวกนั้นพวกเราควรจะศึกษานะอ่พวกหลวงพ่อเองบางทีบางญาติโยมบางท่านอาจจะยังไม่รู้แต่ไม่รู้ก็ควรจะฟังเอาไว้นะควรศึกษาเอาไว้ควรจะฟังเอาไว้เอาไว้เพื่อได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าเราจะรู้จักว่าเออสมถะนั่นคืออะไรวิปัสสนานั้นคืออะไรบางคนก็ว่านั่งวิปัสสนาแต่ตามไม่จริงนั่งสมาธิสมาธิวิปัสสนา สมาธิคือทำจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่กล่าวมานะ่ยไม่ให้จิตคิดฟุ้งเฟอ้อไปทางอื่นให้จิตอยู่นิ่งกับตัวเองอันนี้สมาธิส่วนปัญญานั้นจิตที่สงบแล้วนํามาพิจารณามาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายของเราเนี่นะยนะพิจารณาเกสาโลมานขาทันตา ต, าตาโจพิจารณาร่างกายสังขารของเราเแต่หลวงพ่อเคยบอกศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ ที่ได้เข้ามาศึกษ า, าลวงพ่อบอกว่าให้พวกเรากำหนดดูนะไม่ต้องเพียนาชวนอื่นร่างกายของเรานี่เป็นกระดูกมีกระดูกใช่ไหมกระดูกเป็นโครงเป็นโครงสร้างใช่ไหมพวกเราต้องต้องว่าใชเา่เป็นกระดูกเป็นโครงสร้างากระดูกเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราอยา ก, ยกศึกษานะเราไปดู อที่เขาพิมพ์ในหนังสือโครงกระดูกของมนุษยนะ์เป็นลักษณะอย่างไงของเราก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะเหมือนกับโครงกระดูกของมนุษย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเอาจิตให้ให้เห็นแต่โครงกระดูกไม่เห็นหนังไม่เห็นเนื้อไม่เห็นอะไรทั้งหมดให้เห็นเป็นโครงกระดูกเอไม่ให้มีเนื้อมีอะไรติดเลยให้กําหนดดูเป็นโครงกระดูกได้ไหมออันนี้เราวิปัสสนาได้บ้างที่หลวงพ่อพูด เ, เริ่มเขาวิปัสสนาะ คือจิตสงบนั่นคือทําจิตให้เป็นหนึ่งไม่ต้องคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นกําหนดพุทธโธพุทธโธพร้อมกับลมหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเขา้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโททาใจให้สบายสบายไม่ต้องคิดเพ่งไม่ต้องคิดบังคับอะไรแพ้อกําหนดให้อยู่สบายสบายให้มันเป็นตามธรรมชาติหายใจเขา้าอย่างไงหายใจออกอย่างเพียงแต่ให้มีสติรู้หายใจเขา้าออกอันนี้ จับแบบนี้ระหว่างสมถะสมัติธรหรือว่าสมาธิในส่วนที่ปรัสนาในกําหนดให้ดูร่างกายหลายอย่างดูธาตุสีก็ใช่ดูร่างกายเป็นอสุภะก็ใช่แต่นี้เราไม่ดูอย่างอื่นจะให้ดูกระดูกตัวสิบ้านี่นะให้กําหนดดูกระดูกดูตั้งแต่กะโหลกศีรษะของเราตาของเราเป็นยังไงกระโหลกของเราเป็นยังไงกระดูกคอของเราเป็นยังไงกระดูกแขน กระดูกไห้ปาราของเราเป็นยังไงไม่ต้องดูที่อื่นเหมือนกันเถอะแต่เราเคยดูที่อื่นดูรูปภาพที่อื่นที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตามคือเห็นเราเห็นโครงกระดูกที่ไหนก็ตามเรายืนพินิษฐ์ดูเราเราก็มาน้อมเสร็จโอ้กระดูกนี่กระดูกมนุษย์หนอเราก็เป็นกระดูกอย่างนี้แหละจากนั้นเราก็นํามาคิดใส่ตัวเองกระดูกแขนป่องบนไปยังไงป่องหลังเปยังไงมีสองขีดเป็นข้อมือเปยังไงอไปกระดูก ฝ่ามือเป็นไงกระดูกนิ้วมือเป็นยังไงทุกนิ้วทุกนิ้วเป็นไงนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเป็นยังไงกําหนดให้เป็นกระดูกไม่ให้มีหนังนะไม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีอะไรให้เป็นกระดูกจากนั้นก็มากําหนดไปช้าๆนะไม่ใช่กําหนดแบบพูดพาพูดพาพัดกำหนดกําหนดดูให้ดีเพ่งพินิษไปเรื่อยเลื่อยกระดูกแขนทั้งขวากระดูกแขนซ้ายดูทั้งฝ่ามือ จากนั้นก like ่ลงมาสิกระดูกช well, well, well really ี้โค้งไปไงกระดูกสันหลังไปไงมันจดกันยังไงจดถึงกระดูกเอวไปยังไงกระดูกขาไปยังไงกระดูกหัวเข่าไปยังไงกระดูกแข่งไปยังไงกระดูกเท้าไปยังไงกระดูกนิ้วเท้าไปยังไงเรากําหนดดูค่อยๆดูเอดูแบบช้าๆแล้วกําหนดดูแล้วก่ย้อนกลับขึ้นมาถึงกระโหลกศีรษะอีกจากนั้นก่นนับ อีกลงไปถึงฝ่าเท้าอีกกระดูกเท้าอีกทั้งสองข้างนะอันนี้แปลว่าวิปัสสนาอะไรได้บา้างนี่นี่แหละวิปัสสนาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่เป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นจริงไหมอ่ามันจริงเหมันงั้นเถอะมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกร่างกายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พอพิจารณาแล้วเราเห็นชัดที่ตรงไหนเ อ, อ่เราเห็นกระดูกแขดกระดูก แข้งกระดูกขาและกระดูกตัวไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกของเรานะ่ะเอาจิตจับอยู่ตรงนั้นบัดถ้าเรากําหนดเหนื่อยแล้วนะเอาจิตจอกําหนดอยู่ตรงนั้นเนี่นแหละใจของเราจะเข้าความสงบนิ่งเลยแหละทีนี้จบจิตสงบนิ่งเลยถ้าจะให้จิตพักกอดจิตนิ่งนะถ้าว่าเราไม่พิาจารณาอย่างนั้นจิตมันจะบอกแวกบกแวกบกแฝกแออกไปเรื่อยๆนะ เ, เมื่อกำหนดอย่างนั้นจิตของเราจะ ได้รับความเย็นสบายนิ่งนถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นแล้วนะเราเพ่งออกไปข้างนอกมาเถิงเราจะโกรธให้แก่ใครเราก็ไม่รู้จะโกรธให้แกเขาทําไมเพราะมันโกรธให้กระดูกเราจะรักใครเราก็ไม่รู้จะรักไปเพื่ออะไรมากมายเพราะรักกระดูกตัวเองก็มีกระดูกสรุปแล้วกิเลสถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะเห็น ร่างกายอย่างนั้นนะกิเลสราคะก็ดีกิเลสโทสะก็ดีกิเลสโมหะความรุ่มหลงหมเมาก็ดีมันจะค่อยจางในจิตในใจของเรานะอาพอร่างกายของเราทุกคนนะจะต้องทิ้งทั้งหมดจะต้องทับผมแผ่นดินเอาไปด้วยไม่ได้สักคนถึงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลขนาดไหนก็เถอะ เ, เรามีประโยชน์แต่เฉพาะเรามีชีวิตอยู่เราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่พอมาถึงจุดนั้นแล้วพอลาโลกไปแล้วเนี่ยกระดูกตัวเองก็เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ในแผ่นดินทิ้งไว้ในเมร น, นั่นนะ่ะเอาไปเผาในเมน ก, กระดู ก, กอยู่ในเมร น, นั่นนะ่ะเเอาไปไว้หงสุยกัไปกองอยู่ในนั้นแหละอะเหมือนกับซากรถนะ่ะซากรถที่มันหมดสภาพแล้วเขาไปทิ้งนะว่าป่าช้ารถอนะที่พวกเราเคยเห็นมันรถที่เขาไม่ใช่นะ่ะมันหมดสภาพแล้ว มันก็ต้องทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะร่างกายของเราคนเราทุกๆคนนะ่ะถ้าหมดสภาพแล้วก็มันก็ต้องทิ้งอย่างนั้นนะ่ะทีนี้ใจของเราล่ะทีนี้มันไม่ตายด้วยเด้ะแหพอออกจากร่างนี้แล้วไปเกิดปฏิสนธิที่อื่นแล้วทีนี้ะในเมื่อเราพิจารณากรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะ่ะอเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะแหมเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะเกิดความเบือ่เอเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายคลายนี่จิตใจก็หลุดพ้นจากกิเลสความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือหลักธรรมคาสั่งสอนของพุทธเจ้าพวกเรานำมาปฏิบัติดูนะอยู่ในบ้านพวกเราก็ทำได้นะภาวนาเนี่ย น, นี่แหละอา น, นิสงส์แห่งการภาวนาเนี่ยมากลนพุทธเจ้าว่ะทำให้จิตใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจรู้ตามความเป็นจริงแล้ว จิตใจจะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเอ่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกถ้าว่าพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถึงพวกเราจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมาถึงแล้วเอเราหาความสุขไม่ได้ในจุดนั้นบางทีก็โอ้ยข่าเบื่อข่ายอมข่าทุกจริงๆเบื่อจริงๆไม่อยากจะมาเกิดที่โลกนี้ เพราะว่าถ้นตัใจขาดไปซะเออมื่อก็เลยหมดเลยมันใจขาดไปแล้วมันทุกข์มากๆเลยว่างั้นเถอะในจุดนั้นในจุดที่เ อ, อจิตใจจะออกจากร่างนั่นนะอ่ะอมันเป็นจุดที่ทุกข์ที่สุดจนใจรับไม่ได้เลยว่างั้นะร่างกายอันเนี้ยเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะพยายามเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เชื่อในเ อ, อ ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกแนะนําเอาไว้แล้วก็พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติทางว่าปฏิบัติอย่างที่เอาตมาได้พูดแนะนํากล่าวให้ฟังนี้พวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นผัสสุขทางจิตใจนะจิตใจจะไม่ทุรนทุลายจิตใจจะเยือกเย็นจิตใจจะมีความสุขรู้จักเขารู้จักเรานะนี่แหละอแต่ว่าตามที่จริงเมื่อเราอยู่ในโลก เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะเมื่อเราเป็นแม่เราก็ต้องทําหน้าที่แม่ให้เต็มที่ดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลเงินคําทรัพย์จมบัตรแต่เมื่อพ่อก็ดีเราเป็นหน้าที่พ่อเราก็ทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดอย่างหน้าที่ของหลวงพ่อกําลังพูดเนี่ยหลวงพ่อก็มีหน้าที่รักษาพระเนนอยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วก็มีการแนะนําสั่งสอนจากนักพากพระเนน์ญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่เหมาะที่สม อันนี้ก็คือหน้าที่แต่ทางโลกทางนอกเนี่ยเราพยายามทําเต็มที่ให้มันถูกต้องแต่ส่วนลึกของหัวใจแล้วนะหลวงพ่อกลับไปกุฏิหลวงพ่อก็จะคิดว่าเออที่เราทําไปทั้งหมดนะั้นนะเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไม่ให้ขาดตกบกพร่องถ้าว่าการทําขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่แล้วเป็นที่ตำหนิติฉินนินทาแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถึงยังไงก็เถอดนะที่เราทําไปทั้งหมดนะั่นอะ เราเอาไปด้วยไม่ได้เด้เอวัดเราก็เอาไปด้วยไปได้อดิบดีขนาดไหนเอที่เราทําในโลกนี้เราเอาไปด้วยไม่ได้เราทิ้งทั้งหมดเอกระดูกของเราเอาไปด้วยไม่ได้นะอ่ทุกเสียงทุกอย่างต้องปล่อยทิ้งทั้งหมดอันนี้คือคําในใจของเรานะอันนี้เราปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกเด้ ้าปล่อยวางข้างนอกเนี่ไม่ได้เลยอะไรมาคอยเฉยอะไรมาคอยเฉยอันนั้นแบบปบปล่อยวางแบบโงแบบแบบ่ปล่อยวางแบบแบบควายแบบปล่อยวางแบบไม่เอาไหนปล่อยวางแบบนั้นใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่แค่ปล่อยวางในใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจ ไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นแต่ข้างนอกเราต้องทําเต็มที่เอการเลี้ยงชีวิตหลงการเลี้ยงชีพธรรมะหาเลี้ยงชีพเราทํายังไง เ, เราก็ทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ของเรานะเอแต่ว่าส่วนใจของเรานั้นเอเวลานั่งภาวนาหรือว่าเวลาเราจะนอนนะเราก็นั่งคิดกําหนดดูขณะที่นอนเออร่างกายของเรานี่ก็ไม่รู้จะวันไหนมันจะจากไปนะจะตายไป การที่เราจะสร้างคุณงามความดีการหาทรัพย์สมบัติยังไงก็ตามเราก็เอาไปด้วยไม่ได้นะอสอนในใจสอนใจตัวเองมางั้นเถอะ เ, อเราเอาไปด้วยไม่ได้นะ เ, เพราะนั้นเราอย่าประมาทจนเกินไป เ, เรารักก็จะรักเกินไ ป, เ ก, เ, เ, ก เ, ปนเกลียดก็จะเกลียดเพลินใครโกรธก็จะโกรธเกินไปในสิ่งต่างๆาควรจะให้รู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิ่งต่างๆ เพราะในโลกนี้เอาไปด้วยไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นอ่ะบุญกับบาปแว่า ใ, ใครทําดีอบุญก็จะพาคนนั้นไปถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะมาพาคนนั้นไปที่จะไปได้ก็คือบุญกับบาปเท่านั้นอ่ะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเสา ะ, ะแสวงห า, เ, าเงินคําทรัพย์สมบัติหยติพี่น้องเพื่อนพูงนี่เราจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมดเอาไปด้วยไม่ได้นะอันนี้ก็คือคําในใจของพวกเรา นี่แห ล, ละของพุทธศาสนาไม่ใช่ปล่อยที่อื่นไม่ใช่วางที่อื่นเน๊ะปล่อยวางที่ใจของเรานั่นแหละะวันนี้ลุงพ่อคิดว่าจะพูดเพียงสั้นๆ น, น้อยๆนะเออพอได้พูดมาก็ยืดยาวคนนานๆพวกเราได้พบได้เจอกันอนานๆปีหนึ่งหรือแบบเป็นวันกระถินยังได้มาพบกันอย่างนี้ละ่ะพอจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันนี่นำทำคําพูดของหลวงพ่อเนี่แหละนําไปคิดไปไตรตรองดูนะ นำไปประพุทธปฏิบัติหลวงพ่อเองคิดว่าพูดไม่ผิดนะ่ะอพูดตามแนวแถวของหลักพระพุทธศาสนาพยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแนี่ยนอนนรกสวรรค์มีจริงออยากจะพิสูจน์ก็คือเนี่ยภาวนาเนี่แหละทําจิตให้สงบนี่แหละอถ้าเราจิตสงบเราะจะรู้ได้แหละเออร่างกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นอีก อยู่อาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่อันเดียวกันเราจะรู้ชัดโดยตนเองนะไม่ต้องถามใครแบนะั้นเถอะถ้าจิตสงบนะ เ, เพราะนั้น เ, เราจะไม่เชื่อใครก็พยายามดูหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนามีอยู่แล้วนะนี่แหละโดยมากเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายนี่ถึงยังไงยังไงมันก็สงสัยอยู่นะสงสัยอยู่ในใจนะเอ๊ะตายแล้วมันจะได้เกิดบ ออย่างเนี้ยก็เลยไม่มั่นใจเพราะไม่มั่นใจเกิดการทําคุณงามความดีก็ทําแบบค่อยๆว่าไม่เต็มที่ว่างั้นเถอะพอทําไปแล้วกลัวจะสูญเปล่าว่างั้นะเถอเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยเอพยายามหลักพิสูจน์ก็มีทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเอให้ได้เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยจะรู้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนะวันนี้ก็พูดมาเสียยืดยาว เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายนำไปคิดไปพิจารณาการพูดในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้